เมื่อวันที่หนึ่งเดือนเมษายนพศ2511ณวัดป่าบ้านตาดโดยพระอาจารย์มหาบัวยานะสัมปันโน เป็นแบบเลี้นน ย, ย, ยวพระเรามีจำนวนมากห้ายองค์งาน ม, นกมากทำให้ยุ่งเลยนั้งคันต่างคนต่างองค์ไม่เลื่อนภาวนาสติกับิจอยาให้ห่างไกลกัน ผปฏิบัติรายไหนที่มีความจดจอ่อในความเคลื่อนไหวของตัวเองนั่นแหละจะได้ทราบความดีชั่วที่แสดงอยู่กับตัวตลอดเวลาอย่าไปสนใจกับสิ่งอื่นมากยิ่งกว่าสนใจกับเรื่องของตัวที่แสดงออกและสิ่งที่มาเกี่ยวข้อง เนีลักของการปฏิบัติถ้าพูดถึงเรื่องความลำบากไม่มีงานชิ้นใดจะลำบากยิ่งกวา่างานของกิตที่จะพยายามทราบเรื่องของตัวโดยมากเรามองข้ามจุดสำคัญไปหาความสุขก็กาหาในจุดที่ไม่ใช่ความสุขมันจึงพบแต่ความทุกข์ หาถูกจุดนั้นก็มีความสุขมีต่างท่านต่างมาในที่ต่างๆจากที่ต่างๆเอาวมทั้งเก่าทั้งใหม่ตรดได้สังเกตจากมูเพื่อนที่อยู่ก่อนแล้วจะทำตามความชอบใจของตนที่เห็นว่าเคยกินมาโดยไม่คำนึงถึงว่าผิดหรือถูก การจำเนียบพิสษาเคยได้อธิบายให้ฟังหลายครั้งแล้วทุกสิ่งทุกอย่างที่สัมผัสกับตาหจูจ ม, มูกร่งกายใจของเราเป็นสิ่งที่จะให้ความรู้ความฉลาดได้ถ้ามีความจดจ่อเพื่ออยากรู้ความอยากรู้อยากเห็นในสิ่งที่เกี่ยวข้องกับตนแต่ทาไมสนใจ เมยจะสัมผัสกันอยู่วันยังคำก็ไม่เลยเรื่องการจะพยายามตั้งฐานจิตให้ได้รับความสงบเย็นใจตลอดไปนี่เป็นรู้สึกจะลำบากอยู่บ้างจิตมีฐานถ้าทำให้มีคำว่าฐานนั่นหมายถึง เป็นพื้นถ้าเป็นความสงบก็เป็นพื้นอยู่อย่งนั้นถ้าเป็นปัญญาก็เป็นพื้นของปัญญาคือคิดอ่านไตรตรองอยู่เช่นนั้นนี่ท่านเรียกว่าพื้นเป็นพื้นเพจจิตที่ยังไม่มีพื้นฐานเวลาสงบก็สงบแต่เวลาถอนขึ้นมาแล้วไม่ปรากฏความสุข แต่จิตที่มีูมีพื้นฐานแล้วต่างกันเวลาสงบลงไปก็เสวยความสุขประเภทที่สงบคือเกิดจากความสงบนั้นเวลาจิตถอนขึ้นมาก็เสวยความสุขซึ่งเป็นพื้นฐานของจิตที่ได้ชาระมานี่เรียกว่าจิตมีพื้นผู้ที่มีได้รับ ผลที่เป็นสืบเนื่องมาจากสมาธิจนกลายเป็นพื้นฐานของจิตแล้วที่ว่าผู้มีที่ปรงที่วางใจใค่อยจะรุ่มร้อนอยู่ทั้งวันทั้งคืนต่คิดจะอ่านใจตรองอะไรก็พอมีเหตุมีผลการยืนเดินนั่งนอนอยู่ในเอียบุตรใดก็หรือที่ใดก็ดีก็รู้สึกจะเป็นความสุข คอจะมีทุกมารบกวนมีท่านเรียกว่าพื้นฐานของจิตความคิดความปรุงก็คิดได้ปรุงได้แต่ไม่ได้คิดไปในสิ่งที่จะทำความก่อควรตนเองให้รับความทุกเดือดร้อนเหมือนอย่างที่เคยเป็นมา คิดปกติไปทางอัดทางทำ mm hmm. ผู้มีความสงบเป็นพื้นฐานของจิตเป็นอย่างนี้ส่วนไม่มีพื้นฐานนั้นเราก็ทราบกัน mm hmm. เถอะขนาดเดียวเท่านั้นมันก็คิดไปนอกรูน อ, อกทางยิ่งเลอไปมากเท่าไรมันก็มีเวลาที่จะสั่งสมความคิดปรกติรุ mm hmm. ดยแย่ทําลายตัวเองนั้น ตลอดเวลาที่เราเกิอแต่จิตที่มีพื้นฐานไม่เป็นอย่างนั้นแม้จะเผลอไปบ้างมันก็ไม่คิดอย่างนั้นแม้จะคิดก็มีจำนวนไม่น้อยโดยมากเขาคิดไปตางอดธรรมัม่ให้พักเป็นพยายามทำจิดให้มีพื้นฐานอยากเป็นคนหลอดเนี่ย เป็นคนงอนเนี่ยคนแนให้เป็นคนจริงพระพุทธ้าธรรมะพระพุทธเจ้ามีแต่จริงทั้งนั้นยึดหลักธรรมะเข้ามาเป็นหลักใจต้องให้เป็นผู้ ม, มั่นคงอย่าเอานำความลำบากเข้ามาเกี่ยวข้องจะกลายเป็นอุปสรรคขึ้นทันที หนักก็ถือเป็นงานของเราเบาก็ถือเป็นหน้าที่ของเราจะต้องทาเพื่อความสาเร็จทั้งงานหนักงานเบาจิตถึงข่าวจะปลอบโยนก็มีบ้างถึงข่าวจะข่มขู่ก็ข่มขู่กันไปจะให้มีแต่ปลอบโยนทีเดียวก็ไมนะ่นั้ นิจะให้มีแต่ข่มรู่ทีเดียวก็ไม่ถูกมันต้องมีต้องสองอย่างประปนกันไปตามการที่เห็นควรหรือจะควรปฏิบัติต่อกรณีใดในเรื่องของตัวเองชิงได้จะ ทำความอ่อนแอให้เ จ, จ๊กิดอย่าสนใจคิดถ้าจะคิดก็ให้คิดเรื่องมาแก้ไขกันเราต้องคิดถึงเรื่องความอ่อนแอมีผลอย่างไรบ้างนะถ้าคิดคิดไปอยังไงความขี้เกียจอ่อนแอหรือความท้อแท้มีผลอย่างไรบ้า ง, าามมา ง, างเมื่อจะนําสิ่งเหล่านี้มาใชา้เราจะมีผลดีอย่างไรบ้างถ้าเราคลอยตามสิ่งนี้ จะมีความจเจริญหรือมีความเส่มไปเป็นลำดับออาอามาเทียบเทียมนั่นะนักปฏิบัติต้องมีเหตุผลรักษาตัวอย่างนี้ถ้ามีเครื่องรักษาไปไม่รอดจะแบกตู้คำผีไปก่อไปไม่รอดมีความเข้มแข็ง อาดฐานราเลยทุกเพื่อการถอดถอนสิ่งที่เป็นค่าพึ่งแต่ตนเองไม่มีทางที่จะเสียหายซึ่งควรที่จะลดตัวลงให้เป็นไปตามน้าของพิ่ี การปฏิบัติธรรมะต้องทดสอบตัวเองอยู่เสมอวิธีการต่างๆที่เรานำมาใช้ต้องสังเกตผลอบายมายาของเกตที่แสดงตัวออกมาเราต้องสังเกตผลที่ปรากฏขึ้นจากสิ่งเหล่านี้เสมอม่งั่นจะไม่มีทางหักห้างไม่มีทางแก้ไข ตามความรู้สึกของผมถ้าเราได้ลงตั้งใจจริงๆเราจะพิจารณาอย่างไรก็ตามเกี่ยวกับทางสมาธิหรือเกี่ยวกับทางด้านปัญญาจะต้องเห็นผลเป็นลำดับหากไม่พิจารณาไม่ เอาจริงเอาจังจะไม่ค่อยได้ผลและไม่ได้ผลผู้กำหนดลมหายใจสังเกตอยู่เฉพาะลมเท่านั้นมีหน้าที่อันเดียวอ่ามันจะไปไหนลมนี้จะเข้ากัาบอกอกเท่านั้นเรื่องของลมเราก็ให้ ทำความรู้สึกกับความสัมผัสของลมนั้นเรื่องจะเกิดเป็นผลขึ้นมาอย่างไรนั้นเราไม่ต้องไปขค่านหมายในในเวลาเช่นนั้นผลกับเหตุไม่ได้หนีจากกันซรือไม่แยกจากกันไปไหนถ้าเหตุมีความสืบเนื่องกันผลจะทนตัวอยู่ไไนาต้องแสดงออกมาหเห็นเมื่อเรามีสติเจ็บต่ออยู่ าการกำหนดลมพอดีจะกำหนดคำบริกรรมคำอะไรก็ดีเราไม่ได้หมายจะเอาลมและคำบริกรรมนั้นแต่เรามุ่งจะให้ทราบเรื่องของจิตถ้ามีเครื่องถูกมกัดหรือเครื่องยึดไว้กายไม่รวมกระแสของตนเข้ามาสู่จิตก็เลยไม่มีทางจะทราบได้ว่าความสงบเป็นยังไงวิือใจอันแท้จริงเป็นยังไง มันไม่เห็นไม่เจอมี่สิ่ลหาอุบายมามีเครื่องผูกมัดจิตใจก็เพื่ อ, อ น, นี่พอจิตได้ทำหน้าที่อยู่กับงานของตอนโดยเฉพาะแล้วความรู้สึกทั้งหมดก็จัดทุ่มเทกันลงที่จุดนั้นไม่ได้ปล่อยให้เพื่อนผ่านออกไปดังที่เคยเป็นมา ก, กระแสะของจิตได้มารวมตัวอยู่นั้นสื่อต่อกันไปเป็นลาดับแบบไม่นานเราก็เห็นความสงบเกิดขึ้นแต่เห็นความสงบแล้วเราก็เห็นจุด ข, ของความรู้คือใจการกำหนดลมหายใจที่เรียกอนาปานะทัตินี้มีความสำคัญอยู่หลายระยะเหมือนกัน เพราะกำหนดลมเขไปเข้าไปเข้า ไ, ไปลม ก, ก็ละเอียดละเอียดที่ปรากฏว่าลมหายไปใจหาที่ยึดไม่ได้นี่ยลมหายไปทั้งๆ ท, ที่เราก็รู้อยู่ว่าลมลมหายไปที่ใจไม่มีที่ยึดรู้สึกแปลกๆมีความรู้สึกแปลกๆขึ้นมา ไอ้ น, นี่ลมหายใจหายไปแล้วมันไปอยู่ที่ไหนลมหายไปแล้วเรามันจะไม่ตายเลยอเกิ mm hmm. ด, ดความคิดขึ้นมาก็ไปทําลายความสงบที่กําลังจัดแสดงตัวเต็มที่นี่ลมหายใจก็เลยกลับใหม่เพราะเราไม่ได้เดินตามปกติของหลักธรรมชาติแต่เราปรุงแต่งขึ้นมาสัอย่างได้อย่างนี้เรื่องก็เลยผิดหลักธรรมชาติไปออื mm. ลมก็หายไปที่หายไปแล้วก็กลับมาจะหายไปในหลักธรรมชาติของลมอิงยื้อไปหายไปในความรู้สึกของเราก็ตามทั้งสองนี้อย่างแต่อย่างใดอย่างหนึ่งก็จะทําให้ลมปรากฏตัวขึ้นมาถ้าเราคิดว่าลมหายไปเกิดความชงสัยขึ้นมาลมต้องกลับปรากฏตัวขึ้นมาต่ก็หยาบขึ้นมานี่เป็นสิ่งที่ ทำนายความตสงบได้ทั้งที่ถูกให้เป็นไปด้วยความราบเรื่นลมจะละเอียดก็ให้ทราบตามความเอียดของลมลมหมดไปก็ให้ทราบเรื่องลมหมดไปใจที่ยังมีอยู่ให้อยู่กับความรู้นั้นนี่เองอีกอย่างหนึง่ง ลมหมดไปด้วยจิตขาดวักขาดตอนจากอารมณ์ใดๆด้วยเหลือแต่หลักธรรมชาติที่ ร, รู้อันนี้ไม่สงสัยว่าลมจะหมดไปหรือไม่หมดก็าตางธรรมชาตินี้จะเป็นความแน่ว แ, แน่สําหรับตัวเองไม่ได้ไปพวักโพลกับลมที่หายไปแล้วมีความมั่นคงอยู่กับความรู้ ทั้งขาดวักขาดตอนจากทุกสิ่งทุกอย่างในบรรดาขันที่มีความเกี่ยวโยงกับจิตในเวลาเช่นนั้นด้วยนี่เป็นจิตที่สงบละเอียดมากและไม่สงสัยในความรู้ว่าเป็นอย่างไรไม่สงสัยในเรื่องลมว่าหายหายไปแล้วจะไปอยู่ยังไงหรือจะเป็นจะตายอะไรไม่มีความสงสัยเพราะ เวลานั้นจิตไม่ไม่แสดงอาการคือขันไม่แสดงออกจากจิตเหลือแต่ความรู้รวนๆแสดงตัวอย่างเด่นชัดอัศจรรย์ขาดมักขาดตอนเหลือแต่ความรู้เท่านั้นนี่อนาปาลีประเภทที่ละเอียดเป็นอย่างนี้เพื่อความราบรื่นของทั้งสองประเภท เราอย่าไปกังวลกับลมเมื่อลมได้หายไปให้อยู่กับความสงบหรือให้อยู่กับความรู้จนกว่าจะลมจะปรากฏขึ้นมาแต่ไม่ได้คาดหมายว่าลมจะปรากฏขึ้นมาให้รู้อย่างนั้นรู้ประเภทแรกจิตมีกิริยาที่ใช้งานอยู่ได้ใช้งานได้อยู่ มีชีตแบบต่างๆนี่รวมหมดไปยังไงจะดูแบบอะไรนี่ยังคิดได้ขั้นนี้นี่แหละขั้นนี้ทาให้คนงสงสัยแลวกิจจะถอนขึ้นมาเพราะความงสงสัยเป็นตัวหนหตุเพราะความงสงสัยมันเป็นทังขานประเทศหนึ่งที่ตึงขึ้นมาแลวก็เกาะกวนความสงบโดยถืออารมณ์คือถือลมหายใจว่าหมดไปนั้นมาเป็นอารมณ์พอเกาะกวนความสงบอันนี้ให้หนักแน่นดิ่งกว่านั้นไม่ได้หรือมั่นคงยิ่งกว่า น, นั้นไม่ไ ถอนขึ้นมาจริาความถูกต้องเรามาต้องไปกังวลกับรดยประเภทนึ่ประเภทที่สองบางที่เก่าแล้วนั้นอันนั้นหมดปัญหาเหลืววอแต่ความลูุ่นล้วนมีความปรุงความแต่งอะไรทั้งนั้ขาดแม้แต่สุกกายไม่สากหายไปไหน ถึงขนาดหยัดจริงๆของอันลับตาใสิกงกายก็ไม่มีเลยลมหมดไปกายหายไปด้วยหล้วจะความรู้ร้วนอาจะอยู่เท่าไหรไม่ไม่กล้าบังคับให้สอนขึ้นมาอยู่เท่าไรก็ไม่มีเดือนปีนาทีโมงเข้าไปจับเลยลนะจิตได้มีความรู้สึกว่ามีอาการเหน็ดเหนื่อยในส่วนร่างกายมาเกี่ยวข้อง ถ้ากินลงได้ขาดว่าขาดตอนจากเรื่องของขันแล้วจะไม่มีขันใดเข้ามาทำลายทาลายที่ก่อขวัญกินลงนั้นให้รับความไม่สดะดวกสบายขึ้นเพราะขันเป็นเหตุแต่จะทรงหรับธรรมชาติของตนได้อย่างสมบูมของถูมสมาธิในพันน้ำนี่แหละพเรื่อง อนาคตผลที่ปรากฏเป็นอย่างนี้นเราจะแยกมาใช้ปัญญาเราต้องแยกในเวลากิดถอนขึ้นมาแล้วกิดคิดกิรุงแต่งได้แล้วช่วสมควรแจ่ ง, งานแนละ้วอะทำลงไปการค้นคว้าดูค้นคว้าดูตัวของเราเนี่ยมันท่องเที่ยวอยู่นี่ไปไหนรอบโลกคนไปมาแล้วมันได้อะไร อย่าดูรูดูเสียงดูกลิ่นดูของรสอะไรต่อต อ, อะไรมันเป็นมีทั่วโลกไปที่ไหนมันไม่มีสิ้นสุดพรกะสิ่งเหล่านี้มีอยู่ทั่วไปใจก็กระเดิดเกิดเติมหาที่ยับยั้งใหม่เอาหาให้ให้หาหลักเพื่อเป็นการดับยั้งสิทดูเห็นตามหลักความจริงที่เรียกว่าโลกวิถีถูกดูอาการของกายจะอาการไหนก็เห็นให้ให้อย่างลง ชัดด้วยใจรักษถ้าลงใจรักถึงใจแล้วอะไรก็ถึงใจหมดทุกขังมาทุกขังคําเดียวก็ถึงใจอันนี้จังอนัตตาอะไรมันอยู่ด้วยกันวิ่งถึงกันหมดเราไม่ต้องบอกอันนั้นเป็นอันนี้จังอันนี้เป็นทุกขงังอันเป็นอนัตตาอะไรนะเพราะหลักธรรมชาติมันเป็นอันเดียวกันอย่าพูดแยกเป็นอาการนี่เลย เรื่องปัญญานะเป็นเรื่องสําคัญชัตติกับปัญญานี่สําคัญมากผู้ปฏิบัติถ้ามีความสนใจต่อการคิดอ่านใจฟังเรื่องถาดเรื่องขันเกี่ยวกับเรื่องหลักใช้หักแล้วจะมีทางถอดถอนกิเลสเป็นลําดับตันหรือไม่และโปรดทราบและเดาว่าปัญญานั่นแหละเป็นสิ่งที่จะถอดถอนกิเลสทุกประเภท สมาธิเป็นแต่ผู้รวบรวมเข้ามาแต่ปัญญาเป็นผู้ตัดผู้ฟันผู้ทำลายให้ขาดออกไปเป็นลำดับหนึ่บรรดากิเลสที่มีมากน้อยในขณนะแปลกใจอยู่ถ้าเราพิจารณาให้ถึงความจริง มาหลงความเยียมของกลอความคิดของก้อมอ่ะกีฬาสาวงามสวยวางามงาว่าเราว่าเขามันพร้อมฉลันของสิ่ น, นี้เราก็หลงความคิดของเราเนี่ยโดยถือสิ่งนั้นที่นไปที่ไปเกี่ยวข้องนั้นเป็นตัวเหตุแต่ขั้นแล้วก็คือความคิดของเราเนี่ยเป็นผู้หลอกให้หลง ไี่มันแก้ย่างคือต้องอาศัยหลักทําเข้าแก่คำว่าอาจารย์ทุกขาราต้าแก้ส่วนที่ที่ว่านความต้องการผิดเหล่านี้ไม่แก้อะไรทำาแ่าง น, นี้เข้าไปแก้มันไม่มีทางออกเห็นไหทุพหะปฏิกูลก็เหมือนกันคืไปแก้นี่ที่ว่า ควา ม, มาสำคัญว่าสวยว่างามแล้วทีนี้ความเสื้อของงาม ม, มันมีอยู่ที่ไหนดูตามหลักของจริงมันไม่มีอะไรมีถ้ า, าหนังมันงามหนังรองเท้าราองเทงงามอืมที่นายูไหมมันบางขนาดมันหนาเท่ากระดาษก็ได้หยือ สิงที่มันหลอกตานะี้แล้วมันก็ไม่ได้หลอกไอ้ี่งบางที่เขาว่าสวยงามมันมันก็มีอะไรอย่างนั้นอง <Hey. S 1> ม, มันนนะี่พรตพุทธบาทสำมูลเต็มทั้งหมดรอบทั้ตนทำานประจกรักษ์พยันโตมนี่หนังหุม้มที่ศีรษะมีมุนที่ติดอยู่กับหนังนะหุ้มอยู่ที่ศีรอบเป็นที่ศีรษะเหมือนกัน ถ้าตามพจารณาให้มันทันกับเหตุการณ์หรือกับสิ่งที่มันเป็นอยู่มีอยู่มันก็ไม่มีอะไรจะหน่อนี่ปัญญาต้องอย่างนั้นให้มันทันกับมายาของตนเองที่มันออกไปนี่เมื่อดูอนี้แล้วออกนั้นอ้เรียกอีกพลิกข้างในออกมาข้างนอก มันจะเยอะบุิโภคพลูนี่ยิ่งไม่น่าดูเอาถลอกออกหมดทั้งหนังมาให้หนโลกหนังออกหมดเลยคนไม่มีหนังมันชอบกันไหนมันจะยิ้มมีชายที่ไหนจะมีแต่มแมลงบันบินตาม มันลงหนังกันนั้นไม่ลยูงอะไรลงหนังว้าชื่อบังบ้ามันไม่ได้หนาเท่ากระดานนะที่เดียวว่าผิวหนงเท่านั้นแหละมันฉาบเท้าให้สำหรับคนโง่พอเลนะ่นแ้เขาไปนิดก็เห็นแล้วเห็นเรื่องทันทีแล้ว แล้วยิ่งถ้าเรองกหมดซะตั้งหนัาแล้วดูคนเป็นไงเขาดูเราก็จะดูได้ไหมเราดูเขาจะดูได้ไหมมันดูกันไม่ได้ัรงนั้นแหละนั่นแหละหลักจริงความจริงแล้วมันหลงอะไรนั่นแ่ละหลงที่ไหงไหนดูไปนะปัญญาดูแล้วดูแล้วพิจารณาแล้วพิจารณาแล้วจนมันเกิดความช่ําชองในจิตใจดูเพียงเพื่อาดพผ่านผ่านไปใช่ไหมได้ ขัดลงไปก้าวลงไปรับลงไปปัญญาของเราเอานี้เราเป็นหินรับดูแลดูรอบจะดูข้างนอกก็ได้ดูข้างในก็ได้ไม่ผิดคําว่ามรสมุทยัยน่าจะมีได้ทั้งั้งนอกข้งในหรืจะเอาวัตถุข้างนอกเช่นจะเป็นรูปหญิงผู้ชาก็ตามเอาเออกมาที่จะมามันไม่ผิดมพระมันเห็นชามัน ก, ก็วิ่งเข้ามาข้างในตรงนั้นมันไม่เห็นอะไรเลยมันที่มันเพ่นผ่านอยู่ตลอดเวลาทําให้ยุ่งไม่มีเวลาสงบตัวได้เลย หาของไม่ีหาเท่าไรมันก็ไม่เจอทีมันมีที่ไหนของสวยงามมีที่ไหนของจริงของจังของกิรังทวารมีที่ไหนอัตตามีอยู่ที่ไหนมันไม่มีนี่มันหาอย่างเจอมันถึองยุ่งหาของไม่มีเนื้อพระวตัญหาอยากในของมันมีเราว่าแั้วทำมาก่ากที่พระวตัญหาอยากให้ของไม่มีเพราะวตัญหาอยากให้ของมี หนึ่งเป็นเป็นสองเป็นสองขั้นเอาเอาไปคั้นที่สามเอาออกเนื้อออกให้หมดเชื้อเนื้อออกหมดไปสิไม่นด้ตะกรองไว้กรองเนื้อนั้นสวยที่ไหนรักชิ้นไหนชิ้นเนื้อ น, นั่นออกมุดน่ะ เนื้อในส่วนร่างกายไม่ว่าข้างบนข้างล่างออกให้หมดมันจะมีอะไรเป็นที่กำนัดยินหน้ากำลัดยินดีในชิ้นเนื้อทุกชิ้นไม่ว่าชิ้นที่ซึ่งเป็นที่จุดหมายแห่งความกำนัดแล้วเอามาดูเอามาดูเามาือนกันมันจะมีอะไรแตกนะนีเป็นวาระที่เป็นขั้นที่สาม รวมทั้งอวัยวะภายในด้วยเอาออกมาหมดอันนี้อยู่อะไรที่อยู่ภายในร่ า, กางกายเราส่วนภายในที่เกี่ยวกับเป็นสิ่งที่อ่อนๆเป็นเนื้อสูงข้อก็ในเนื้อใดสิ่งตับไตไตถุง อ, ออกมาให้หมดเอามาดูเอาที่นี่คลี่คลายไปชิ้นไหนชิ้นสวนงาน ินไหนชิ้นที่หอมหวนชวนให้ดมนี่นั่นแหละพี่น้ำถึงของจริงในขั้นนี้มันตื่นอะไรเดี๋ยวนี้อมันตื่นอันนี้แหละคนเราดูว่มันถึงที่สุดทุกมันดูแจะเป็นชิ้นเนื้อออกมาดูจนกรทางทุกมัน่ยแสดงวิปริตนามมาทำมันแปลสถาบัมันแปลทั้ง สีสันมันนะแปลทั้งรูปร่างแต่ทั้งกลิ่นแปลไปเป็นลําดับบมันเห็นชัดหนึห่ขั้นที่สามรวมกังหมดขั้นที่สี่เอาดูกระดูกดูกไปตั้งแต่ บ, บนที่สาไม่มีเนื้ออะไรติดอยู่ในมันแล้วมันไปไหนก็ดูตามกระโบหมดทั้นั้นแหละ มีเส้นเอมนัดลิงมันแขนเป็นพวงไปพวงแขนว่างไหมพวงแขนพวงขาห่อยเป็นพวงไปดูมันเห็นทุกกระยะกระดูกชิ้นไหนแต่ชิ้นไหนมันติดมันต่อกันเอาออกเป็นชิ้นไปกิ้นไปชิ้นนี้น่ารักไหมหนักหนักไหมเอาชิ้นนี้มันชิ้นนี้ไปยังไงเติดจากชิ้นทลายหรือไม่เอากระโหลกศีรษะออกมาดู มีพูดใถึงคลิกถึงขินกันไม่อย่างนั้นไม่รู้ที่เราวิธี ป, ปฏิบัติา ท, ทางด้านปัญญาแม่ครูที่สามีอะไรมั่งเอาลี่เอาไปอีกกำหนดมีดฟันลงไปดูอมเอามาดูทำ็นถึงมีอะไรอยู่นะมันจะยิ่งจะหน้ากลัวซะเลยนะที่มันจะขึ้นเรื่องน่ากลัวนะ เรื่องน่ารักมันจะหายไป น, น่าคลัวได้เลยน่าสลดสังเวชออกมาเป็นชิ้นเป็นชิ้ น, นชิน้ออกมันทุกชิ้นที่มารัดลึกงกันอยู่ที่ไหนมัง่งด้วยเอเช่นตัวนี้ออกเาเห็นทุกชิ้นทุกชิ้นชิ้นอ้าวชิ้นไหนมีความแตกต่างกันขึ้นเยอเป็นที่คล้องใจว่าน่ากำหนัดยินดีอันไหนเป็นนิจังอันไหนเป็นสุขขังอันไหนเป็นสุภาษิตของสวยของมาม อันนี้จ้งอยู่ไหนมันก็จะวิ่งไปหานั่นทุกครั้งอย่ไหนมันก็จะวิ่งไปหานั่นคนโง่ต้องในทุกครั้งน่ะทาไปหลงนะตาเอา้หาหายิงห้าใช้หา้าสามห้คูห้าอยเขาอยู่ไหนมีในกลองอวัยวะทุกทุกกองที่เรามารวมกันไว้นี้เยอะหรืแยกเป็นเป็นกองกองกองหนังกองเนื้อกองกระดูกแยกแล้ว เ, เอาดู กระดูกทุกชิ้นชิ้นไหนที่น่ากําลักินมีไหมนี่ละ่ะบังคับให้มันดูอย่างนี้หละ่ะปัญญาแล้วเป็นผู้บังคับให้จิตมันดูให้ตัวมันหลงมันหุ่มงงมหุ่มเงำค ำ, คำนุ่นขำนี่มันดูห้ามดูของจริงอย่าขำผมบอกนั้นสิอย่าไปเที่ยวหาขำเอาดูของจริงนี่เหรอนี่ละ่ะในวิทยาไม่ว่าของคนของสัตว์ของหญิงของชายมันอย่างนี้ทั้งนั้นละ่ะอย่าไปหารูปพาคขำ เห็นดูของจริงนี่เหรอนี่ของจริงเองนี่ยนัถอนมันยังงนนี่ถอนจิตบังครั้มันดูให้มันเห็นใจนี่หลังงานที่จะถอดถอนตอนจนเห็นทุกชิ้นประจักกับปัญญาแล้วเอาจิตมันจะหอเหินเดินฟ้าไปไหนก็ตามเถอะด้วยความเพลิดเพลินเข้ามามันจะสงบตัวเข้ามาทีเดียวเพอะมันหอ่อ เฮินเดินผ้าไปดูความประพฤติมันเหาะเฮินไปเพราะสิ่งนี้เป็นเครื่องชุดลากมันไปคืออารมณ์อันหนึ่งหลอกมันไปชุดลากมันออกไปอันนั้นก็เป็นธรรมชาติของเขาที่จริงนั้นอย่างที่เราแยกออกมาแล้วน่ะผู้นี้มันนเป็นไดเฉยหลงอารมณ์ของตัวเองนะครับสอนตัวเองให้มันรู้เรื่องตามหลักความจริงแล้วมันจะเอาอะไรมาห ล, ลอกมาหลอกที่กันนาและเบียณาเราเนี้ย พอมันรู้เรื่องแล้วจิตมันจะต้องเบาทันทีหมดความกังวลผู้มาเข้ามาเป็นลําดับทันทีพรอกังวงกลกังวลกับสิ่งเหล่านี้ยุ่งกับยุ่งกับสิ่งเหล่านี้เพลินกับเพลินกับสิ่งเหล่านี้ทุกข์ก็ทุกข์กับสิ่งเหล่านี้นะเมื่อได้เห็นสิ่งเหล่านี้ตามอาประจักษ์ด้วยปัญญาแล้วทุกสิ่งที่มันเป็นความขดตัวจิตใจมันก็ต้องถอนตัวออกมาถอนตัวออกน ะ, นะทางนี้แล้วเอาพิจารณาอีกซ้าแล้วซ้าเล่าอย่างนัน จนเป็นที่ยอมรับกันเมื่อพอตัวเนาะมันยอมรับกันเองหลักความจริงจะฝืนไปไม่ได้จะมีความอาจหาันต่อสิ่งที่เคยกลัวสิ่งที่เคยระวังมีรูปเป็นตนเรื่องปัญญาพิจารณาเอาแงตัวเองเออกไปอีกเครียดกันเข่าถ้าสมมุติเราพิจารณาภายนอกเป็นอย่างนั้นนะเอาเอาตัวเองลงไปอีก พี่นาเดนมันเหมือนกันไม่มีอะไรผิดกันว่าใช่หรือว่าหญิงว่าชายมาเอาที่ใช้ด้วยความเสกสรรปันย่อในหลักครามชาตาจริงมันไม่มีถ้าวันหนังก็หนังเหมือนกันหมดวเนื้อก็เนื้อว่าธาตุมันก็ําเหมือนกันหมดนอกจากมันเสกสรรปันย่อหลอกตัวเองนั้นไม่มีอย่างไม่เป็นท่าอย่างนั้นเถอะมีขั้นพิจารณากายพิจรา ที่นั่แล้วเป็นนั่ล้วซ้ำซ้ซากซอยู่นั่นจนมันเป็นที่เข้าใจกันเมื่อมันพอตัวแล้วมันเป็นอีกแง่หนึ่งเหมือนก็ราเร า, เรารับทานอาหารพอแล้วจะบางท่าม่รับทานต่ออีกมเมื่อไรมีมือพิจารณาพอแล้วจิตก็ถอดถอนตัวจากอุปทานในสิ่งแล้วสิ่งเหล่านี้แล้วอย่างเด่นชัดจะพิจารณากันอีกไม่ได้มันก็รู้เองสิ่งส่วนไหนที่มันยังบูดดื่มที่นังข้อความใจมันเป็นข้อความใจอยู่ ซึ่งมีความละเอียดอยิ่งกว่านี้อีกมันก็ตามมันไปเหมือนกับไฟไฟเชื้อเอาคอยไหม้เข้าไปที่ปัญญามลุกลามไปลุกลามไปแซงซึมซาบเข้าไปซึมซาบเข้าไปแทรกแทรกเข้าไปแซงเข้าไปกรงไหนมันยังคล้องปัญญาจะต้องซอดเข้าไปอยู่ท่านจนเป็นที่พอจะเช่นเดียวกันอีกกับอีกส่วนละเอียดก็พอกันปล่อยอีกรูปประคันมันรู้แล้วมันก็ปล่อยได้อย่างนั้น นามะขันมีอะไรบ้างมันถ้ามันพิจารณารู้ด้วยกันรู้อย่างเดียวกันนี้เรื่องนังปัญญาเลยมันจะทนถือไว้ไม่ได้หอนกนะล่อยอีกเข้าไปตล่อยอเข้าไปบนน้ำหนแบบแล้วถ้าจะพูดถึงเรื่องความละเอียดเข้าไปอีกละเอียดสุดยอดของสมมติก็เหมือนยาพิษที่สิงอยู่ภาณในจิต เช่นเดียวกับยาพิษที่สิงอยู่ในวัตถุต่างๆไม่มองเห็นตัวแต่พิษจะแสดงตัวสําหรับผู้ไปเกี่ยวข้องนํามารับทานหรือมาอะไรก็แล้วแต่พิษนั้นจะแสดงตัวออกมาทั้งๆที่มองไมเเ่เห็นเนี่ยที่ท่านท่านเรียกเอาอันละเอียดสุดยอดท่านเชื่ออวิชชาอะไรให้เป็นอวิชชาถ้าไม่ใช่อันน้อวิชชามันไม่เห็นรูปมันไม่เป็นอวิชชา เสียงกิ่เครื่องสมันไม่ใช่อวิชาไม่ใช่วิชาตัวอวิชาจริงก็คือตัวใจที่ทหลงนี่วิชาคือปัญญาที่พิจารณาเข้าไปให้รู้เรื่องของตัวเองเป็นลำดับเข้าไปถึงหลกฐานตปะธรรมความรุ่มร้อนสาหรับแผดเผากิเลสมันก็เผาก็ไปหาจิตริง ภัยที่มันเกล็ดแข็งซึมซาบอ ย, ย, ย, ย, ย, ยู่ภายในจิตมันก็ถูกกรันกรองขับไล่ออกหมดพลัง อ, อํานาจของตาปะธรรมคือปัญญาอันแหลมคมไล่ขี้กันออกหมดเลยไม่มีสิ่งใดเหลืออยู่ัหนอุปทานที่ไหนอีกอุปทานในรูปมันก็หมดเพราะอํานาจของปัญญาอย่างที่ว่านี้อุปทานในขันเอาขันไหนมันจะทนปัญญาไปได้สี่ขันเวทนาธัญญาและขันยมยาน อ้าปัญญาไล่เข้าไปจนรู้ลากฐานของมันที่มันเกิดขึ้นมาทั้งตัวของมันที่แสดงออกถื อ, อ่อาไหนอีกอ้าวทัญญยาคิดที่มันฝังอยู่ในหัวใจจริงๆไล่เข้าไปจนไม่มีอะไรเหลือขู่ขับไล่ด้วยอำ น, นาจของกรรมธรรมคือปัญญากระจายเอาเหลือแต่ถาดล้นล้วนที่บริสุทธิ์ ของที่ถือที่ถืออะไรและถือมันอะไรที่ถาำมันร่วนแล้วจะถือกันไปทําไมมีอะไรบกคร่องที่จะให้ถือมีอะไรสรงวนวนนัก ว, รรวนสงวนที่จะให้ถือความรักมันก็เป็นกิเลสความสงวนก็เป็นผลของกากความรักมันเป็นเรื่องกิเลสต่อนแขนงเมื่อพอตัวแล้วอะไรก็ไม่มีที่จะไปเสริม ให้เป็นจื่งขึ้นมาอีก ป, ญญปัญญาปัญญาอ่ารนั้นอันนี้จังทุกข์าหน้าตามเมื่อหมดขีดสมมุติแล้วแต่รักที่ว่านี้ก็หมดถ้าสมมุติยังไม่ยังมีอยู่ตามใดสมมติคำว่าสมมติในตอนนี้ในข่า น, นี้หมายถึงขี่เลดนั่นเองเครื่องหลอกลวงตัวเองมันมีส่วนละเอียดแค่ไหนนั่นแหละชื่อว่าสมมติมีส่วนละเอียดแค่นั้น ใจรักจะต้องตามมันไปถึงกันตอนนั้นเมื่อส่วนละเอียดที่หมดไปแล้วใจรักก็หมดปัญหาเพราะเป็นเครื่องแกะหรือเป็นทางเลยหมดปัญหาถ้าเราจะพูดว่าเรืออยู่ก็เป็นธาตุรู้ธาตุที่บริสุทธิ์เหมือนหลวงปูบริจจ่าคือตรัสรู้แล้วนะเลือยแต่ธาตุที่บริสุทธิ์คือธาตุรู้ล้วนๆไม่มีอะไรเข้าไปเกี่ยวพนประกาศ สอนโลกเป็นอับเป็นธรรมเป็นมีเหตุมีผลมีรสมีชานั่นแหละธาตุรู้นะั่นออกมาจากธาตุรู้นะั่นแะธรรมะจริงอันนั้นจริงพอแล้วธรรมะที่แสดงมาก็จริงจะเป็นขั้นใดภูมิใดในบรรดาธรรมะจริงไปหมดเพราะทำหลักเดิมของธรรมชาตินั้นเป็นของจริงอย่างตายตัวไม่มีอะไรต่อแปงแฝงอยู่แม่กต่นิด อุปทานก็มีอยู่สามถือกายรูปขันนามขันถือจิตมีอยู่สามเท่านั้นและอุปทานเท่าที่ปฏิบัติมาเต็มความสามารถเรียนบรรดาท่านผั้งแล้วยางเปิดเผยถึงจะมีเลยนั้นนี่ไม่เห็นปฏิบัติมาไม่มีอะไรเลยหนีจากนี้ไป สิ่งที่ทําความก่อควรก็คือเรื่องเกี่ยวกับเรื่องขันของตัวเองเท่านั้นพูดง่ายๆภายนอกไม่ต้องพูดหยาบมากยิงกว่านี้ขันกัรู ป, ปรขันเป็นสัญญาอีกทำมาติดอันนี้พิจารณาถึงที่กันแล้วมันก็ปล่อยของมันม้นามาขันเมื่อถึงที่ด้วยอํานาจของปัญญาแล้วก็ปล่อยได้จิด เมื่อพิจารณาถึงที่แล้วก็ปล่อยกันได้นัดจะไปพิจารณาอะไรอีกทีมันไม่มีทางที่กิจาามันพอตัวอะไย่าร น, นามีไหมที่นี่เมื่อขอต้องการนี่ยมาฝากที่บริสิเรนามันเป็นธุนุดอันหนึ่ง เวทนาันก็เป็นเวทนามันก็เป็นเวทนาขันธ์ธรรมชาติที่บริสุทธิ์แล้จะเอาเวทนามาจากที่ไหนภาวะสุขก็เป็นปรมามังสุขขันธ์ประสียสุขในหลักธรรมชาติไม่จัดไม่เรียกว่าเวทนาเพราะเวทนาทเนาเป็นอนิจจธท่านั้นไม่เที่ยงธรรมนั้นชื่อว่าเวทนาอันนั้นไมาจะเวทนาเพราะเป็นธรรมชาติอยู่กับหลักธรรมชาติที่เรียกว่าปรมามังสุขขงัง เปลี่ยนประธา น, นั้นแหสุกเลยสมมุติคุณ ง, ง่ายนะประมังไม่ใช่ยิ่งกว่าสมมติยิ่งกว่านี้ยิ่งกว่านั้นยิ่งกว่านั้นเลยสมมตินมันถึงไม่มีอะไรจะไปเปลียนเปียบอยู่<ม>ปรามังสุขขังนี่ไม่ใช่จะเปลี่ยนตัวเองไม่มีทางจะเปลี่ยนเพราะความสืกไม่มีการเปลี่ยนแปลงตัวเองเนื่องจากเป็นหลักที่ตายตัวแล้วเป็นธรรมชาติที่ตายตัวแล้ว เพราะฉะนั้นธรรมชาติที่บรรลสุดแล้วจริงไม่มีเวทนาถ้าไม่มีอนิจจาอยู่ในนั้น<ม>จะไปเวทนาไปแทรกเข้าได้ไหมแทรกเข้าไปมันก็ต้องเป็นเอเอธนาอนิจจาที่<ม>ต่างใจจริงๆเป็นอย่างนั้นปัญญาเนี่ยสําคัญค้นลงไปพิจารณาลงไป จิตมันอยู่กับอาอยู่กับการพิจารณาพิจารณาอะไรให้จิตอยู่กับมันนั้นให้ความรู้สึกอยู่กับมันั้นปั้นยายอยู่กับมันั้นวิ่งอยู่กับมันมันต้องรู้จะผ่านไปไม่ได้หลักธรรมานาเป็นเหมือนกับทำนกใหญ่กั้นนั่นหรือเหมือนก็บฝันมหาสมุทรเลยฝังไปไม่ได้ไม่ว่าแต่นันธรรมดาอ้ามหาสมุทร กัดมมหาสมุทรมันจะเลยธรรมะไปได้อย่างไรเน่อเสริมเต็มเพื่ตกำลังมนึเพื่ีตั้งใจมาปฏิบัติให้ไ้ยินรู้นั้นรู้นี่เพ่ทานปฏิบัติไม่ค่อยดีเลย ทำกันเองปฏิบัติเป็นน้ำท่วมตุ่มไปนะมีคุณธัรมมากเลยท่านเอมีคุณธรรมมากปริมาณรู้ทั้งวันคิดทั้งวันแต่ไม่เห็นเป็นความรู้ที่จะทําตัวให้พ้นมเป็นความรู้เพื่องดมัตต์ตนเองน้ำท่วมตุ่มอารมณ์ออกคิดออมาก ่กข้ามโลกจะข้ามอะไรอะไรเป็นโลกท้าไมจะเรื่องของขันนี่เป็นโลกจะอะไรมาเป็นโลกข้ามโลกข้ามจริงรู้โลกก็รู้ที่โลกก็วิทูรู้แจงความจริงซึ่งมีอยู่ในตัวไม่มีอะไรจะเป็นโลกวิทูรู้แจ้งโลกรู้แจ้งอะไรตปหาเป็นห็นนักเห็นหินจะตายไม่ใช่ ไปเที่ยวเมืองนอกเมืองนาบดูประเทศนั้นประเทศนี้แต่หลายเมืองหลายบ้านอะไรก็ยิ่งเป็นโลกวิถีไม่ใช่อย่างนั้นรู้แจ้งโลกวิถีนี่ก็เองรู้แจ้งในธาตุในขันเห็นตามหลักความจริงของมันเท่านั้นพอรู้นี้แล้วโลกธาตุนี่มันเหมือนกันหมดนั่นมันจะมีอะไรมาแตกต่างกันพอจะให้สงสัยนั่นแหที่ว่าโลกวิถีรู้ไปหมด้รู้อันนี้แล้วรู้ขันนี้แล้วรู้ไปหมดทุกขัน งาจบต